v วโอเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยินแดนอันไกลแสนไกลาชายผู้หนึ่งนามว่าโคลาอานิเอโลอาศัยอยู่กับลูกสาวทั้งสามรดทิงและไวโอเลตทั้งสามมีหน้าตาที่ดูดีแต่ไวโอเลตช่างสวยงามมากประหนึ่งน้ำหวานแห่งความรักซึ่งคอยรักษาหัวใจของผู้มองเห็นจากการไร้ความสุข ขนาดว่าเจ้าชายมาคัสเองก็หลงไหลไปกับความสวยงามของเธอและทรงตกหลุมรักเธอไปด้วยพระองค์จะต้องเสด็จผ่านไปหน้าบ้านของเธอทุกวันสวัสดีเวโอเล็ตถวายบังคมเพคะเจ้าชายมาคัสม่อมฉันมีเรื่องตลกเพคะหม่อมฉันฉลาดกว่าพระองค์ท่าน <laughs> ทำไมเธอถึงพูดกับพระองค์แบบนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายนะเธอน่ะมันคนป่วยวันหนึ่งน่ะเธอกวนใจเจ้าชายแล้วก็ปล่อยให้พวกเราซวยตามกันไปด้วยนะสิแต่ไวโอเล็ตไม่ได้สนใจพวกเธอแล้วก็เดินจากไปอย่างมีความสุขสองพี่น้องไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของเธอนะักพวกเธอจึงไปต่อว่าไวโอเล็ตต่อหน้าพ่อของพวกเธอพ่อคะหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคะ่ะ ไวโอเลจอมเขา่าคิดว่าตัวเองนั้นน่ารักมากสินนะขนาดไปแกล้งเจ้าชายได้นะคะพ่ออะไรนะเธอจะหาเรื่องให้พวกเรามีปัญหากับพระราชาได้ถ้าเธอยังทําตัวไร้ความเคารพยําเกรงแบบนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อของไวโอเลตจึงตัดสินใจในทันทีเพื่อจะปราบความซุกซนของเธอไม่ให้มากไปกว่านี้ลูกต้องไปหาป้าเมย์และอยู่กับเธอจนกว่าลูกจะรู้ว่าต้องทําตัวให้เหมาะสมได้อย่างไง เข้าใจไหมอได้คะ่ะพ่อลันลันลันลันในวันถัดไปเจ้าชายก็เสด็จประทามปกติเอ่อสวัสดีวันนี้ฉันไม่เห็นไวโอเล็ตเลยเธอสบายดีไหมเออเธอสบายดีเพคะพ่อของเราเนี่ยส่งเธอไปที่บ้านของป้าเมย์นะคะ่ะเจ้าชายมาคัสรงพยักหน้าพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าจะเสด็จไปหาไวโอเล็ตที่บ้านของป้าเมย์ และขอเธออภิเศกด้วยความที่เป็นเจ้าชายมันไม่ได้ยากนักสำหรับพระองค์ที่จะพบไวโอเลตที่บ้านของป้าเมพระองค์ทรงดำเนินเข้าไปในบ้านนำพระธรรมารงออกมาและแย้มพระสวนพระองค์ทรงเคอที่ประตูค่าใครกันคะโอ้คุณพระเออสวัสดีคุณผู้หญิงผมคือโอ้ฝ้าบาทใครกันไม่รู้จักพระองค์เสด็จเข้ามากอสิเพคะให้หม่อมฉันช่วยอะไรดีเพคะ เจ้าชายมาคัสส่งนํำธรรมร้องออกมาให้เธอดูข้าจะต้องบอกไวโอเลตว่าข้ารู้สึกอย่างไรได้โปรดให้ข้าพบเธอสักครั้งโอ้เยี่ยมไปเลยเพคะไวโอเลตนี่ช่างโชคดีซะจริงๆทำไมฝ่าบาทไม่ไปรอข้างล่างล่ะเพคะมอมฉันจะหาทางส่งตัวเธอลงไปเมื่อไหร่ที่เธอกลับมาเซอร์ไพรส์เธอขอให้โชคดีเพคะท่านช่างยอดไปเลยหลังจากนั้นเมื่อไวโอเลตกลับมาเธอรู้สึกได้ว่า ป้าของเธอกำลังเล่นอะไรที่แปลกพิลึกว่างไงจ้าหลานรักทำไมเออวันนี้ถึงกลับมาช้าจังเลยหลานโอเคไหมโอ้ที่รักหลานของป้าเอ่หนูสบายดีค่ะว่าแตกเกิดอะไรขึ้นหรอคะป้า เออฮะเออเกิดอะไรขึ้นกับป้าอย่างนั้นเหรอป้าก็แค่เอเออนี่หลานรู้อะไรไหมมันคงจะดีถ้าหลานไปหยิบผงมะพร้าวจากฉันลากให้ป้าป้าเจ็บเท้าน่ะเจ็บเหลือเกินไวโอเลตรู้ในทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเธอจึงพยักหน้าในขณะที่เดินลงบันไดไปไวโอเลตเห็นเงาของเจ้าชายบนกําแพง เธอจำเงานั้นได้ดีเธอค่อยๆ ย, ย่องลงไปและซ่อนตัวอยู่หลังบันไดโอ้เธอนั่นเองใช่ใช่เธอหรือเปล่านะโอ้โหแปลกจังแฮะข้าว่าค้าได้ยินเธอลงบันไดมานี่น่าเฮ้วอเล็ตเธออยู่ไหนกันนะโอ้ จับได้แล้วหม่อมฉันรู้อยู่แล้วล่ะหม่อมฉันฉลาดกว่าฝ่าบาทอยู่วันยังค่ำฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ เจ้าชายมาคัสเสด็จไปที่บ้านของไวโอเลตอีกครั้งสวัสดีไวโอเลตถาวายบังคมไปคะ่ะเจ้าชายหม่อมฉันฉลาดกว่าพระองค์ <c oughs> โอ้ยเธอไม่เคยคิดจะเข้าใจอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าพ่อสอนเธอไม่ได้เราคงต้องลงมือเองแล้วล่ะพี่เธอพูดถูกเธอรู้เรื่องออเกสที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในป่าไหมงั้นเหรอโอ้ไวโอเลตไม่รู้เรื่องนี้แน่ถ้าอยู่บ้านป้าเมมานี่นา ในวันนั้นเองสองพี่น้องเจ้าเล่จึงตัดสินใจทําตามแผนของพวกเธอไวโอเลฟังนะคือว่าเออพวกเราเนี่ยทําซุปของโปรดให้กับพ่อพิงเออจะคอยช่วยเหลือพี่เธอช่วยเข้าไปในป่าแล้วก็หาสมุนไพรพิเศษมาให้พวกเราหน่อยได้หรือเปล่าไวโอเลไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นเธอจึงตอบตกลงเมื่อเธอไปถึงเธอก็เริ่มหาสมุนไพรในป่า โอ้มีสมุนไพรมากมายเลยฮะลันลันลันอ้อนันนันนันอนันนันนันแผ่นแผนแผ่นนดินไหวนี่เนอน้าเดเธอทำให้ฉันกลัวหมดเลยทำเธอกลัวงั้นเหรอเธอสิที่เล็นเอาทำฉันหลอนนะฮะฮ้นี่เธอกาลังทำอะไรในสวนของฉันน่ะฮะฉัน เก็บสมุนไพรแถบนี้ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนของเธอน่ะฉันฉันขอโทษฉันน่ะปลูกสมุนไพรพวกนี้ขึ้นมาเองแหละถ้าเธออยากจะเอามันไปเธอต้องทำอะไรตอบแทนฉันสักหน่อยแล้วให้ทำอะไรล่ะไม่มีใครหาฉันได้เลยและตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ข่าวก็แพร่สะพัดออกไปตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาในป่าแห่งนี้เธออยู่กับฉันสักวันสองวันได้หรือเปล่าล่ะ ไวโอเลตประหลาดใจแต่เธอรู้ว่าพี่สาวของเธอได้ใช้วิธีนี้หลอกล่อเธอนั่นเองอ้าเอาล่ะฉันจะอยู่กับเธอเองเธอดูเป็นคนดีและฉันอยากมีเพื่อนเป็นเธอด้วยไวโอเลตและออเกรสทานมื้อเย็นด้วยกันและพูดคุยกันอย่างมีความสุขวันถัดไปเจ้าชายเสด็จมาเยือนพระองค์ทรงพบแค่พี่น้องสองสาวเออไวโอเลตอยู่ไหมเออ เออไมออ่ไม่อยู่เพคะเอองั้นเธออยู่ที่ไหนกันเหรอเราเราเองก็ไม่รู้เออเธอออกไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ยังไม่กลับมาเลยโรสและพิงรู้สึกผิดกับสิ่งที่พวกเธอทำลงไป<อ>และพวกเธอก็เป็นกังวลอย่างมากเจ้าชายมาคัสส่งแทบพระไทยสลายเมื่อพระองค์เสด็จกลับพระองค์ทรงครุ่นคิดว่าไวโอเล็ตไปอยู่ที่ไหนกันนะ<อ>แล้วถ้าเธอตกสลละพานล่ะหรือว่าบางที นั่นมันรอยเท้าใหญ่เลยนี่อ๋อออเกรสถ้าเธอพาตัวไวเอเลตไปล่ะพระองค์จึงค้นหาในปา่าจนกระทั่งพระองค์สเสด็จไปถึงบ้านของอ อ, อกเกรสเจอตัวเธอแล้วแล้วค้าจะช่วยเธอยังไงดีนะพระองค์ทรงมองไปที่หน้าตา่างพระองค์มองเห็นอ อ, อกเกรสและไวโอเลตกำลังนั่งคุยกันอย่างมีความสุขเธอดูไม่เกรงกลัวเลยฮะ เจ้าชายทรงรู้แล้วว่าไวโอเลตไม่ได้อยู่ในอันตรายใดๆเจ้าชายจึงตัดสินใจที่จะแกล้งไวโอเลตอีกครั้งตกกลางคืนพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของออเกรตและเข้าไปยังห้องนอนของไวโอเลตพระองค์หยิกที่แขนของเธอและซ่อนตัวอ้พ่อคะพ่อมีหมัอยู่ตรงนี้คะ่ะเธอปัดมันออกจากเตียงจากนั้นก็กลับไปนอนเจ้าชายหยิกเธออีกครั้งและคราวนี้เธอก็ตื่นขึ้น แต่เธอกลับไปนอนบนเข้าอีกใกลๆ้ๆเจ้าชายย่องไปหยิกเธออีกครั้งมันเกิดขึ้นหลายครั้งเลยทีเดียวและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเจ้าชายก็เสด็จกลับไปวันนั้นเองไวโอเลตผู้เหนื่อยอ่อนกำลังนั่งอยู่บนหินใกล้กับถนนในป่าเจ้าชายเสด็จมาโดยทรงม้าของพระองค์และทรงหยุดสวัสดีไวโอเลตถาวายบังคมเพคะเจ้าชายหม่อมฉันคงฉลาดกว่าพระองค์ โอ้พ่อคะพ่อมีมัดอยู่ตรงนี้เจ้าชายสงรงพระ ส, ส่วนและไวโอเลตก็อ้าปากค้างและเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอกลับไปหาออกเกรตผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นกับรองเท้าคู่หนึ่งไวโอเลตที่รักนี่ของขวัญให้กับเธอรองเท้านี้มีเวทมนต์และจะพาเธอไปอยังทุกที่ที่ต้องการโอ้และระฆังนั่นเป็นเครื่องตกแต่งยังไงล่ะไวโอเลตดีใจที่ได้รับของขวัญ เธอขอบคุณออเกสและจากไปโดยที่ใส่รองเท้าคู่นะั้นรองเท้าวิเศษพาฉันกลับที่บ้านทีภายในไม่กี่วินาทีเธอก็มาอยู่ข้างพวกพี่ๆของเธอโอ้เธอจ๋าเราทำแบบนั้นกับไวโอเลตได้ยังไงกันเราต้องไปตามหาเธอนะงั้นหันมาสิเดี๋ยวก็เจอเองพี่สาวทั้งสองของไวโอเลตตกใจเมื่อเจอเธอ พวกเธอสวมกอดกันและกันและขอโทษขอโพยไวโอเลตไม่เป็นไรหรอกจะว่าไปแล้วเนี่ยฉันมีเวลาที่ดีๆเลยในคืนนั้นเองเธอขอให้รองเท้าพาเธอไปอยังห้องบรรทมของเจ้าชายมาคัสเมื่อเธอปรากฏกายเธอเห็นเจ้าชายทรงพระบรรทมอยู่เธอหลบอยู่หลังตู้ใบใหญ่และเริ่มกระแทกเท้าของเธออย่างดังการก้าวเท้าสิงดังของเธอและเสียงรักครางที่ดังปลุกเจ้าชายอย่างหวั่นกลัวโอ้ท่านแม่ท่านแม่ช่วยลูกด้วย ไวเอเล็ตทำแบบนี้อยู่หลายครั้งและจากนั้นก็หายตัวไปเช้าวันถัดไปเจ้าชายมาคัสตัดสินใจเสด็จไปบ้านของไวเอเล็ตเพื่อทักทายเธอไวเอลเล็ตยิ้มเมื่อเห็นพระองค์สวัสดีสวัสดีไวเอลเล็ตถาวายบังคมไปคะเจ้าชายมาคัสหม่อมฉันรู้ดีกว่าฝ่าบาทโอ้พ่อคะพ่อมีมัดอยู่ตรงนี้โอ้แม่ครับแม่ช่วยลูกด้วย เมื่อทรงได้ยินเช่นนั้นเจ้าชายก็ทรงรู้ทันทีว่าไวโอเลตได้แก้แขนพระองค์เข้าแล้วและพระองค์ก็ทรงยอมแพ้เจ้าทำให้ข้าเห็นได้ว่าเจ้ารู้ดีกว่าข้าแต่ข้าเองก็อยากรู้ถ้าข้าจะขอเจ้าแต่งงานเจ้าจะรับคำขอข้าไหมไวโอเลตพร้อมที่จะตอบรับในไม่ช้าพิธีอภิเศษสมรสย่างโออาก็เกิดขึ้น ออเกรดเข้ามาร่วมงานด้วยถึงแม้ว่ามันจะยากไปหน่อยตอนเริ่มต้นแต่แล้วเธอก็มีเพื่อนใหม่มากมายพี่สาวทั้งสองได้เรียนรู้จากการกระทําของตนถึงแม้ว่าไวโอเล็ตอาจเป็นคนขี้เล่นแต่เธอเองก็มีจิตใจที่ดีและนั่นก็คือสิ่งที่พึงมีสำหรับคนคนหนึ่งยังไงล่ะ